ทั้งๆ ท, ที่มันก็คนทั่วๆไปเขาไม่ได้อะวะความดีอะไรสักอยแต่นี่ทําให้เห็นว่าด้วยอํานาจของไอความย้อมใจของตัวเองเนี่ยย้อมใจตัวเองคือจริงๆเนี่ยเราจึงพยายามหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรอย่างชีวิตในวัฏฏะเนี่ยนะทุกคนมันเดินไปสู่ความตายใช่ไหมซึ่งไม่รู้ว่าพบต่อไปเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วใจเนี่ยเบื้องลึกๆเนี่ยระแวงและมันคืออะไรกันแน่แต่ก็หลอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไร อีกนันถามว่าอาการอย่างนี้เนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่ามายาเป็นความหลอกลวงตัวเองหลอกลวงตัวเองว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรถ้าใครที่สั่งสมนิสัยตัวนี้เอาไว้มากเท่าไหร่นะถ้าสั่งสมเอาไว้มากๆในที่สุดมันก็หลอกคนอื่นเหมือนกันถ้าหลอกตนฉันใดก็จะหลอกผู้อื่นฉันนั้นเพราะว่าถ้าจริงใจต่อตัวเองฉันใดก็จะจริงใจต่อผู้อื่นฉันนั้น ท่านนี้ก็ลักษณะเดียวกันนั้นไอ้คาว่าหลอกตัวเองเนี่ยนะถ้าฟังตอนตั้งกับต้นมาเนี่ยหมายถึงลักษณะนี้ทั้นผู้ที่พยายามน้อมไปพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยอย่างนี้ไม่เรียกว่าหลอกตัวเองคือหมายความว่าตัวเองเนี่ยหลอกตัวเองมานานแล้วตอนนี้จะเริ่มเอนไปหาความจริงโอนไปหาความถูกต้องแต่ทีนี้ว่าเรานี่ไม่รู้จักคือเราไม่มีสุตตะเพียงพอที่จะรู้จักความจริง ถ้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอย่างจริงๆแล้วมันอาจสุภาพใช่ไหมแต่เราถือว่าเป็นสุภาพเนี่ยคือเนื่องจากว่าเรารู้จักคําว่าผิวเนี่ยน้อยเกินไปคือเราทําปริญญาในเรื่องผิวหนังน้อยเกินไปหรืออย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้เป็นหมอผิวหนังเราจึงไม่รู้จริงเนี่ยนะถ้าเป็นหมอผิวหนังจริงๆแล้วนะซึ่งคนในโลกเนี่ยที่ผิวมันน่าดูจริงๆมีกี่คนนะ่ะ แล้วคนที่ผิวดีนี่กว่าจะได้ดีขนาดนั้นน้าแต่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะแล้วถามัา ด, ดีอย่างนั้นตลอดไปไหมอมาหาทุ ก, กขคันทสูตร์พระองค์เพงตรัสว่าเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นแหละหรือเพิ่งเห็นชายหนุ่มคนนั้นแหละเมื่อวัยล่วงไปผ่านไปเนี่ยนะ เ, เป็นหญิงที่มีอายุเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยนะโคง้งโกงแล้วก็ผิวควรจะเป็นยังไง ตกกระด้วยเหี่วด้วยแล้วถามว่าผมควรจะเป็นยังไงถ้าไม่ยอมเลยลำบากฟันนี่ถ้าไม่เคยมีหมอฟันแบบสมัยนี้แต่งเป็นอย่างดีเหลือสักสามซี่นี้ก็เก่งมากแล้วนะเหลือแต่งเงือกแล้วนะแล้วแก้มควรจะเป็นยังไงตอบเข้าไปหมดนะทำใจได้หรือเปล่าไม่ทราบนะโอ้ยความงดงามความเป็นนางงามสมัยนั้นหายไปไหนหมดแล้วหนาะก็อย่างนี้แหละ แต่นี้ดีนะถ้าตอนตวยนอนซมระงมด้วยโรคมะเร็งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเหรนะเป็นมะเร็งลำไส้บ้างเป็นมะเร็งผิวหนังบ้างมะเร็งสารพัดอย่างที่มันขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังเนี่ยนะเมื่อก่อนที่บอกพวกที่เป็นมะเร็งบางอย่างนะถ้าเอาภาพเกี่ยวกับทางแพทย์มาดูแล้วก็โอนี่มนุษย์หรือเนี่ยคือพวกที่ออกมาโชว์หน้าโชว์ตาโชว์ร่างกายส่วนใหญ่คือมันอยู่ในสภาพที่พร้อมสังเกตเหมือนว่ารถเนี่ยนะอรถที่ไม่เข้าท่าเข้าทางก็เอาเข้าอู่หมดใช่ไหม รถที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยเขาก็เอาเข้าอู่เข้าโรงซ่อมถ้ามันเลวร้ายจริงๆก็เอาไปทิ้งซะชั้นใดก็ดีมนุษย์ก็ลักษณะเดียวกันที่ออกมาเสนอหน้าเสนอตาตามบ้านตามเมืองตามท้องถนนตามที่ต่างๆเข้าสังคมเนี่ยมันได้รับการตกแต่งมาแล้วแต่ถ้าหากว่ามีความบกพร่องถ้ารู้จักไอความบกพร่องนั้นอ่ะเสียหายมากอย่างคนอินเดียนี่มอเตอรรถเขาไม่ประสบอุบัติเหตุนะแต่ว่าพอมีปัญหาปั๊บเขาเรีบเก็บออกไปเลย เหมือนบ้านเราอะนะพอมีปัญหาแปาบเขารีบเก็บมีปัญหาแบเขาเรียบเก็บทีนี้ถ้าส่วนที่เขาไม่ค่อยเรียบเก็บก็คือสุนัข ม, มันก็เลยพอมีให้เห็นอยู่บ้างพอให้เห็นเป็นปฏิกูลอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะตายพอกับสงครามเลยผลจึงน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่เคยเอามาคิดเลยเนี่ยนะว่าผิวหนังบางๆที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเกี่ยวข้องกับถนนเนี่ยอย่างถนนอินเดียนะ ถ้าขีจา่จักรยานหรอกมอเตอร์ไซค์หรอกถ้าขี่ล้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเอามือลงไปนี่มือก็ทะลอกอะ่ะถ้าเอาหน้าลงไปนี่เลิกเลยนะมีเด็กสาวคนหนึ่งนะไปขีม่มอเตอร์ไซค์ยังไงไม่ทราเอาหน้าไปถูถนนลาดยางเขาเนี่ยนะลาดยางก็ปกตินะแต่ว่าหน้าเนี่ยเรียบร้อยเลยถนนไม่ทะลอกหรอก <c oughs> แต่ว่าหน้าเนี่ยเรียบร้อยเลยว่าหลังจากนั้นก็ต้องกัมพา้าสามีตลอดชาตินะนะดีละ ก็ดีแล้วจะได้แต่ว่าถามว่าจะประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่บอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าไม่ได้สดับธรรมะอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะไปะเอาอะไรใช่ไหมกับผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะเขาบอกว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยถ้ามีความทุกข์อยู่เนี่ยจะมีอะไรนอกจากนึกถึงกามมาสุขทันวิธีแก้ปัญหาของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยพอมีปัญหาก็นึกถึงแต่กามมาสุข ก็เสาหาสแสวงหาเที่ยวหาไอ้การมาสุขอย่างนี้ไปเรื่อยจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งถามว่ามีใครหาเจอบ้างก็ไม่มีใครหาเจออย่างแท้จริงอย่างเช่นใครที่สแสวงหาความสุขทางร่างกายเนี่ยจะมีใครหาเจอบ้างเพราะว่าร่างกายมันก็เริ่มมีปัญหาไปเรื่อยๆๆๆๆมันก็เริ่มเป็นอย่างนี้จริงๆงั้นจึงไม่มีใครหาเจอพันธุพระองค์จึงไม่ได้สอนให้มาคาดหวังหรือต้องการ สร้างความปรารถนาในสิ่งเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้จึงเป็นอะไรธรรมะเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้กาหนดไอ้คาว่ากาหนดรอบรู้เนี่ยคือกําหนดว่าเออนี่สวยใช่ไหมที่เรียกว่าสัญญาไม่ใช่แต่เป็นการเข้าไปทำปริญญารอบรู้ยาตะปริญญาพร้อมทั้งปัจจัยเช่นว่าถ้าเป็นผมผมมีกี่รูปแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผมเกิด ขนมีกี่รูปและปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ขนเกิดเล็บล่ะเล็บมีกี่รูปและปัจจัยอะไรที่ทําให้มีเล็บผิวหนังหนังมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นสมุทรานฟันมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นส ม, ม, มุทรานก็ไล่อย่างเงี้ยไปจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมทั้งปัจจัยและคูณอดีตอนาคตและปัจจุบันพิจารณาทั้งภายในและภายนอกทั้งชนิดอย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างเลวอย่างประณีต ซึ่งถ้าพิจารณาโดยรอบคอบจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่มันยั่งยืนจริงๆบ้างแต่เนื่องจากนิจจะสัญญาว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคำศัพท์ของเราเนะี่ยมันค่อยๆเห็นหน้ากันอยู่อย่างนี้ทุกวันนะมันจะไม่รู้สึกว่าใครเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะกลับไปถึงบ้านแนละ้วยขนทักเลยเอา้าวทำไมเป็นอย่างี้ไปได้เลยนะผอมลงอะไรลงเนี่ยนะก็เริ่มทัก คือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นก็พื้นฐานที่ว่ามันอย่างนี้นเพราะว่านิจจะสัญญามันเกิดเราก็ไม่ใส่ใจในความเปลี่ยนแปลงนะคือเราเราคิดไหมว่าจริงๆแล้วอย่างทุกคนใช้ชีวิตที่ดําเนินผ่านมาแต่ละวันมันมีความเปลี่ยนแปลงตั้งหลายอย่างอยู่ในตัวแต่เราก็ว่ามันไม่มีอะไรเราก็พยายามกลบเกลื่อนในความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมอะไรนะสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นคำของกลุ่มนักธุรกิจใช้หมาใหม่เขาใช้คําว่าทุกอย่างปกติเนี่ยนะเออปกติก็ปกติดีไม่เห็นมีอะไรก็งั้นปกติดีไม่ปกติที่ไม่ปกติอะสิเป็นปกติที่มันไม่เที่ยงอะนะเป็นปกติที่ใกล้ความตายเข้าไปทุกที่หรืออาจจะปกติใช่นะอาจจะปกติถ้าแปลเป็นธรรมะก็บอกธรรมดาอยู่คือชราติธรรมตาวุยาิธรรมโต มรณะธรรมโตธรรมดาธรรมะตัวนั้นแปลว่าปกติปกติอย่างนี้ใช่ว่าโดยสรุปว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายพยายามที่จะหลอกตัวเองดังกล่าวไปเนื่องจากไม่ทำปริญญาโดยเฉพาะไม่ยอมพิจารณาที่เป็นตีรณะปริญญาซึ่งจริงๆแล้วอย่างเช่นนะถ้าหากว่าดูจิตสมุทฐานนี่จะเห็นง่ายถ้าดูจิตสมุทฐานนี่นะดูความเปลี่ยนแปลงทางรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานนี่จะเห็นง่ายหน่อย ถามว่าเห็นง่ายยังไงเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ดูหน้าถ้าเก็บภาพไว้ดูตลอดเลยนะสมมุติถ้าเรามีคนเอากล้องมาเก็บภาพเราตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ตกกลางคืนมานั่งดูหน้าตัวเองตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเท่าเดิมเนลยนะสมมติตื่นหกโมงเลยเก็บภาพไปจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็ตอนตั้งอะเริ่มหกโมงเย็นเป็นต้นไปก็เปิดดูหน้าตัวเอง ต, องตลอดเลยนะจนถึงสว่างนี่จะเป็นยังไง สะสมมันัดหรือจะยังไงนะสงสัยจักกรุณาตัวเองมากเลยนะโอ้โหเราเป็นเอาขนาดนี้เลยหรือเนี่ยมันจั ก, กรุณาตัวเองมากเลยแหละนี่เฉพาะในส่วนของจิตแต่เชรูถามมาแล้วอุตูเชรูปล่ะอาหารเชรูปไม่รู้ว่าถ้าเราไปตากแดดกันอีกสักสามเดือนเนี่ยนะไม่รู้แขกหรือไทยกันไม่รู้กันเนี่ยนะเชื่อเลยว่าพอกันหมดอ่ะกั น, นี่ลองไปเนี่ยมีศรัทธาแรงกล้าเดินตากแดดประทักษิตรเนี่ยสักสามเดือนอ่ะนะ อาจจะเท่าเขาหรือดีไม่ดีเนี่ยดูแขกขาวเลยจะได้กันนี้เราพอกันหมดอันนั้นอันนี้ยุ่งมากๆเลยเนะมัน ย, ยังไงยังไงก็พยายามเจริญอา น, นิจจาสัญญาไว้บ้าง mm hmm. ทพระองค์ในตรัสว่าอา น, นิจจาสัญญาเนี่ยมีผลมากมีย น, นิสงมากมีผลมากมีย น, นิสงมากจริงๆคือพยายามใส่ใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่คนที่เจริญอา น, นิจจาสัญญาเนีสังเกตผู้การบอก ว่าสมสิบปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยนะก็จะพูดคานี้ไปนะสามสิบปีที่แล้วที่มาอินเดียไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่อย่างนี้ก็แสดงว่าสามสิบปีที่แล้วพวกมานก็ไม่ใช่อย่างนี้เหมือนกั น, นก็หมั่นมนสิการบ่อยๆเถอะนะทีนี้ถ้าคิดเลยอีกถ้าสามสิบปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นนะ <c oughs> คือพยายามคิดไม่ใช่คิดอดีตอย่างเดียวคิดอนาคต ด, ด้วย อีกสิบปีข้างหน้าจะมีใครในคณะเรามาอีกหรือเปล่าไม่ทราบเลเธอให้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าหมั่นใส่ใจใบ่อยๆว่าการคิดถึงชีวิตเนี่ยคิดอดีตด้วยอนาคตด้วยแล้วจึงจะได้มองเห็นปัจจุบันที่ชัดเจนคือถ้าหากว่าใครที่ไม่พยายามใคร่ตรวงถึงอดีตอนาคตให้ดีให้บ่อยนะอดีตอนาคตอดีตอนาคตวิจารณญาณในปัจจุบันค่อนข้างไม่พลาด ถ้าสังเกตดูชัดๆเลยนะคนที่เดินทางเนี่ยนะถ้าไม่คิดถึงทางที่ผ่านมาบ่อยๆกับไม่คิดถึงข้างหน้าบ่อยๆนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เดินทางผิดหรือเดินทางถูกคนที่รู้ตัวเองกำลังเดินทางผิดเดินทางถูกคือเอาสิ่งที่ผ่านมาเป็นเครื่องสังเกตยอย่างหนึ่งกับที่หมายที่เราตั้งไว้จะรู้ทันทีว่าไอ้ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงมันจึงจะอ่านชีวิตในปัจจุบันชัด ถ้าเราละลึกถึงชีวิตเมื่อห้าสิบปีที่แล้วกับห้าสิบปีข้างหน้าต่อไปเนี่มันควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะไอการใส่ใจการคิดในลักษณะนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยทำให้เรามองทุกอย่างตามตามความเป็นจริงเนี่ยไอเป็นจริงอะ่ะคือถามว่าจริงๆแล้วนะมันคืออะไรบอกพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไม่นานแล้วอาสุพะอันนี้จริงสองอันนี้จังเนี่ยจริงสามทุกขังเนี่ยจริง สี่อนัตตานี่จริงหันอันนี้จังทุกขังอนัตตาอสุภะเนี่ยจริงแท้ชาติไปทุกข์ขาเป็นต้นเนี่ยจริงแท้เนี่ยนะถ้ามีวิจารณญาณมีปัญญาแค่แบบว่าทําใจให้มันสงบสงบแล้วนึกตามพระพุทธเจ้านะแค่นั้นนจะรู้จริงแต่ปัญหาว่าเราน้อมไปที่จะเห็นตามเท่าไหร่อตรงนี้ก็มาดูสัจทินรียของเราว่าเราแน่ใจหรือที่พระพุทธเจ้าแนะนําว่าช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริง เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่แท้จริงนั้นจึงไม่ยอมแก้ปัญหาตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำพระองค์เป็นผู้ที่พยากรณ์ยืนยันมานานแล้วว่าทางอื่นไม่มีจริงๆที่จะพ้นไั่จะพ้นวะะัะอย่างบางสูตรนี่บอกเลยว่านอกาศาสนานี้ไม่มีพระโสดาบันนอกาศาสนานี้ไม่มีพระสกท า, าคามีพระอนาคามีพระอระหรันต นอกจากศาสนานี้เท่านั้นที่มีพระอริยะบุคคลก็แปลว่าศาสนาอื่นทําที่สุดแห่งวัตทุก์ไม่ได้พรองก็ยืนยันพูดเลยว่ายืนยันทีนี้ถ้าคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะมากไปมั้งดูถูกคนอื่นหรือเปล่าคนอื่นเขาจะไปดีก็ได้เนี่ยคือผู้ที่ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะจะอะไรก็จะเริ่มพยายามที่จะใช้คําที่เบียดเบียนตัวเองแล้วเริ่มเบียดเบียนตัวเองแล้วเนี่ยนะ ว่าไม่มีอะไรก็ไปเบียดเบียนพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ไปเบียดเบียนเหมือนกับอะไรเบียดเบีย น, นดวงอาทิตย์ใช่ไหมเบียดเบียนดวงอาทิตย์เหลืตาดูดวงอาทิตย์มั่งถลึงตาดูดวงอาทิตย์มั่งหวังว่าตาไม่บอดนะนัแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าถลึงตาดูสักครึ่งชั่วโมงเนาะเป็นยังไงบอดตั้งแต่ห้านาทีแรกแล้ว บอกตั้งแตห้า น, นาทีแรกแล้วมาถึงครึ่งชั่วโมงอะไรครึ่งชั่วโมงที่เหลือเนี่ย น, น้ำตาไหลพรากเลยนะหรือดีไม่ดีเลือดไหลเลยแหละเนี่ยนี่ <c oughs> คือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีสารณะเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่น่ากรุณามากๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถึงจะเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วความทุกข์ทั้งมวงความหวาดระแวงเป็นต้นเราก็เพื่อเลิศถึงคุณของพระตัณฐตรายว่าพระองค์นั้นเป็น สารณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นผู้กำจัดภัยให้เราเนี่ยนะแล้วที่เหลือก็มานึกถึงว่าแล้วพระองค์แนะนําอะไรเราบ้างพระองค์แนะนําเราอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่นะอย่างที่รู้กันว่ากำจัดสิ่งที่มีภัยให้ทั้งหมดแล้วบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหมดอะไรที่เป็นภัยเนี่ยพระองค์งป้องกันเราเหลือเกินคือตั้งใจป้องกันจริงๆ แล้วสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะพยายามชี้นําละเกินเนี่ยนะจากขู่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะดูจากสูตรเหล่านี้คือพระองค์จะบอกเลยว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยแห่งความสุขแกเราอย่างตั้นนับตั้งแต่กุศลศีลเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ยจึงเป็นปัจจัยแห่งความสุขผู้ใ ด, ดจะกล่าวเละอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนนอกศาสนาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะ ถามว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่บอกว่าเบื้องหลังโดยมากเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องหลังนะคือมิจฉาทิฏฐิคือสักายทิฏฐิเป็นเบื้องหลังของความคิดแต่เขาก็เป็นกุศลได้กุศลจิตเขาเกิดได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาที่เป็นกุศลอกุศลวิบากเนี่ยเกิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็มีมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็มีพรันมิจฉาทิฏฐิก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้ แต่กุศลเหล่านั้นไม่ใช่กุศลที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตตะไม่ใช่กุศลที่ออกจากวัตจรแต่เป็นกุศลประเภทเฝ้าวัตกรก็คือเช่นเป็นเกิดมาเนี่ยบุญเก่าให้ผลมีที่นาห้าสิบไร่แต่ว่าประหยัดมากไม่จ้างใครทำทั้งนั้นทำด้วยมือตัวเองดีไหมห้าสิบไร่ขยันมากตื่นตะดึกเล่นนะผมดำนาเนี่ยคือปักเนี่ยนะคิดดูนะว่า นาห้าสิบไร่เนี่ยมันกี่ตารางเม็รใช่ไหมก็ห้าสิบตารางไรล่ละทีนี้ก็มาดูว่าเอในเนี่ยคืบเศษเนี่ยปักหนึ่งปักเอา้าในตารางคืบเนี่ยต้องปักสี่ต้นนะแล้วต้องปักอย่างนี้จนกว่าจะเต็มทั้งหมดไรนะ่เนี่ยน้อหืมอะไรจะเกิดขึ้นนะเนะี่ยเท้ามันจะต้องก้มต้องเอยเท่าไหรนะ่เนี่ยจะต้องทุกเท่าไหร่หลายๆท่านที่อมีปีติสมณัตที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นนะ ก็แสดงว่าท่านเหล่านี้ก็คือลูกหลานท่าพระปิงคียะเนี่ยนะปิงคียะนั้นเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์พาวรีอายุเท่าลุงเนี่ยก็ยังแปลกใจว่าทําไมอายุเท่ากันเนี่ยนะเป็นลุงเป็นหลานกันยังไงไม่ทราบอาจจะตามศักแบบสายจีเนี่ยนะก็ได้เขาสงสัยว่าเป็นลุงเป็นหลานกันได้ยังไงเหมือนกันอเดี๋ยวไว้คุยกันมาหลังกันเลยคือพระปิงคียะเนี่ยนะก็เขาบอกว่า พรามณพาวรีถามว่าท่านเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้ามาแล้วใช่ไหมก็อบอกใช่แล้วก็พันณ น, นาสรรเสริญพระคุณโดยประการต่างๆให้ลงฟังอา้าวเมื่อท่านเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าดีขนาดนี้มีคุณธรรมอย่างที่ท่านพูดเนี่ยนะแล้วท่านจากพระพุทธเจ้ามาทําไมก็อบอกว่าท่านพรามเหมือนั้นร่างกายของข้าพเจ้าถึงจะจากมาอย่างนี้นะแต่ว่าศรัทธาปีติ เป็นต้นเนี่ยใจของข้าพเจ้าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่เสมอข้าพเจ้านี่ไหว้พระองค์ด้วยใจไหว้ด้วยใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใดใจของข้าพเจ้าก็อยู่ที่นั่นพ่านก็คือศรัทธาปีติปราโมทย์มีจิตน้อมไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศถึงว่าศรัทธาปีติเป็นต้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็น่าดีใจนะถ้าใครเคยมีปัญหาชีวิตตัวเองมีปัญหามาก แล้วมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยนะถามว่าเรานึกถึงเขาอย่างไงถ้ามีปัญหาเต็มที่เลยนะมันตันโดยหมดเลยมันนึกแก่ไม่ออกมันติดมันตันจนไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยนะมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวมีแต่ความลําบากโดยส่วนเดียวมีแต่ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวเนี่ยมีเขาบอกว่าฉันแก้ให้ได้นะปัญหาทั้งหมดเนี่ยพูดด้วยใจดีที่สุดแล้วยื่นมือเข้ามาช่วยเราทุกอย่างเลยนะโดยประการทั้งปวงไม่เรียกร้องโดยประการใดๆทั้งนั้น านะบอกว่าไม่ต้องการผลตอบแทนเลยนะเราจะนึกถึงเขาด้วยจิตชนิดใดนี่ก็เหมือนการชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ในวัตะัรสงสารอันยาวนานที่เดือดร้อนอยู่ในวัตะเดือดร้อนในการบริหารขันท่ารายจธนะแล้วเห็นหมู่สัตว์อื่นที่เขาเดือดร้อนอยู่เห็นไหมท่านทั้งหลายปลาเนี่ยมันอ้าปากะนะมันเหมือนว่าปกติปลามันยืนได้ที่ไหนใช่ไหมแต่บอกมันรู้ว่ามันจะมีอาหารมากินนะมันเหมือนมันยืนน่ะ มันเหมือนมันยืนมันอ้าปากรอเลยนะว่าหวังว่าคงจะมีสัตว์ชิ้นที่โยนมาถูกปากพอดีมันมีความหวังลึกๆมันหิวจริงๆเลยเราทั้งหลายเ น, นี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นขณะนี้เนี่ยขณะนี้เราทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็มีแต่ใจคิดว่าทํำยังไงเนอสัตว์เหล่านั้นจึงจะได้อิ่มบ้างเจมวยก็ถามในร้านอยู่ที่ไหนอ่างนั้นนะนะลูกร้านนางวิสาขาจะให้อย่างเดียวผู้ที่ ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าทางที่พระพุทธเจ้าแนะนำในช่วยให้เราออกจากวัตฏทุกข์ได้จริงๆแต่ปัญหาสำคัญนะคนที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่มีทุกข์เขาไม่มีความรู้สึกว่าเขามีทุกข์อยู่ในใจเลยเขานี่ดีทุกอย่างเขาสบายเขาดีคือเขามองชีวิตแค่มีตามองเห็นสีจริงๆเขาคิดอยู่เท่านั้น มีหูแค่ได้ฟังเสียงมีจมูกแค่รู้กลิ่นมีลิ้นแค่รู้รสมีกายเอาไว้รับสัมผัสมีใจเอาไว้เสวยความสุขทางปัญจทวาร <_ D> เมื่อเขาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเขาเหล่านั้นก็เลยไม่คิดว่าตัวเองเดือดร้อนอะไร <_ D> เมื่อตัวเองไม่มีความเดือดร้อนอะไรทำไมฉันจะต้องไปกราบพระพุทธเจ้าถ้าก้มลงกราบเขาก็ปวด ถ้าสวดสันเสริญคอก็เจ็ดไปเกี่ยวข้องกับหมู่พระภิกษุก็ต้องให้ทานอีกอุ้ยเปลืองรับเปลืองข่าเปลืองคล้องเป็นต้นเนี่ยนะก็เต็มไปด้วยอกุศลธรรมตั้งหลๆเขาก็เป็นผู้หมกมุ่นบริโภควัตถุกรรมทั้งหลายกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งตอนไหนพราะมาเชื่อว่าโดยมากไม่รู้ตัวเลยไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเนี่ยตายอีกเจ็ดชาติก็ไม่รู้ตัวทําไมรู้ไหม เพราะมันไปอบายเนี่ยนะเช่นไปเกิดเป็นเดรฉานพูดแบบภาษาชาวโลกก็บอกมันไม่มีสมองพอจะรู้ทุกข์หรอกมันรู้แต่ความเจ็บปวดแต่มันไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่อาศัยกายกับโพธพะเกิดกายญาณวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาเนี่ยภาษาก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาเขารู้แต่ตัวเวทนาว่าเออนี่มันปวดนะมันปวดแต่เขาไม่รู้ว่านี้ทุกมันทุกข์นะทุกเหล่านี้เป็นตัดใ จ, จแห่งตันหา เขาไม่รู้แล้วไม่รู้ด้วยว่าทุกเหล่านี้ดับได้แต่ใจจริงๆของเขาเขานึกหาแต่ทุกกองใหม่เนื้หาแต่ทุกกองใหม่ว่ามีกองทุกกองไหนบ้างที่จะให้ความสบายแก่เขาก็เหมือนกับว่าพอมีอะไรนะคนที่มีปัญหาในเรื่องงานใช่ไหมมันคงมีงานที่สบายนะหวังไปเรื่อยนะเครียดไปเรื่อยนะพอมันเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรเข้ามาปับ๊บ มันคงมีงานที่มันสบายกว่านี้นะก็นึกหางานตัวใหม่อ่ะนะจริงก็นึกถึงมหาภาระอันใหม่นั่นเองเราทั้งหลายโดยมากผู้ที่ยังเพลิดเพลินในวัตตะเข้าอยู่ในทุกอย่างนี้ถ้ายังพอเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่บ้างเขาวางว่าเกิดชาติหน้าแล้วจักสบายเขานึกได้ยังไงนะว่าเกิดชาติหน้าแล้วจักสบายถ้าหากว่าเราบอกโอ้เ ท, ว ด, นะทวดาเนี่ยนะเทว ด, ดาเนี่ยวัถูกรามเนี่ยนะ พระเสิฐเลิศกว่าวัตถุกรมในหมู่มนุษย์เป็นล้านเท่าเป็นโกดเท่าเขาบอกว่าความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่เพียบพร้อมด้วยความสุขสารพัสุขสุขนั้นยังไม่ถึงเศษเซี้ยวของสวรรค์เ